Bank of Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๊ะและสินปิ๊นนะครับ ก็มีคนโทรเข้ามาเลยทันทีที่เสียงเมื่อกี้เชียงใหม่นางงาตัว ออกอากาศหรือหรือว่าไปทําอะไรกับใครอยู่อ่ะโทรศัพท์มากันใหญ่เลย 7 มหาสาร 917 นี่นะครับอยากจะคุยด้วยใช่มั้ยรับแล้วนะน่ะวางเลยสงนั้นดูดูดูดูไม่ต้อง 5306969 ยิงมานะคะยิงมาเท่านั้นนะคะถ้าคุณส่วนถ้าคุณต้องการออกเสียงให้ประเทศชาติ 90, 90. วันนี้ แล้วก็มีมีประเด็นมั้ยคุณมีประเด็นสิครับพี่หน่อเราต้องมีประเด็นกันทุกครับที่เราออก คุณจะหมายความว่าอะไรจะหมายความว่าอะไรหรือคุณจะโทรเข้ามาแล้วปรึกษาปัญหาหรือเลยมา เปิ้ลเปิ้ลเชิงใหม่กูถนนเหรอไม่ใช่เสียงไม่เหมือนกูถนนน้ําเสียงเสียงเหมือนกระแทกกระแทกกระแทกอะไรซ้ําๆอ่ะไม่ใช่จะให้จะให้ดูเป็นเทอมซิ้นตอนตอนนี้ เดี๋ยวพี่น้องเราเรามาปรอดดูนาฬิกาของเราตอนนี้ใช่มั้ยก็โชว์แล้วเหรอใช่เฮ้ยเค้าไม่โชว์ 4:00 น. โชว์มีไฟไฟเคยเห็นไฟที่แบบ ฝายจดๆดืนหน้าพาราไดซ์ที่เป็นฝนตกที่ตอนนี้หน้าเซ็นเตอร์ชิดลมอ่ะต้อง ออกไปข้างนอกร้านนิดนึงไอ้ตัวคุณก็เดี๋ยวเค้าเอา 2 รอบใช่มั้ยปิ่นปิ๊นใช่ก็นี่คือออกมาดู เช็คของอยู่เช็คสต๊อกเช็คสต๊อกสินค้าอยู่ค่ะแล้วกําลังทําให้สต๊อกสินค้ากล่องใหญ่ขึ้นอืมไม่ใช่ก็กําลังจะรับแต่เราจะรับไม่ทันกําลังแบกไหปลุงชนแบบมาแบกไหใช้ คือกับกระบวนทัศน์คนไทยไม่มีต่างชาติเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีล็อตกันมาก็ตกใจเหมือนกัน ไอ้ที่อื่นคือแบบ SMS มาที่ที่ 422 1935 ยังส่ง SMS มาที่ 422 1935 เห็น พูดออกอากาศได้นะครับอืมก็ไม่ได้เชียร์นะแล้วปิ๊นบิ๊นไปกับใครอ่ะครับก็มีเพื่อนก็ ได้เป็นสำรองหรือตัวจริงไม่แน่ใจนะเพราะ อ่าลิปซิงอ่ะเค้าร้องเพลงอะไรเลยเออตอนนี้ตรงนี้ให้โอเค Enjoy นะโอเคตอนที่ MSN ที่ Bangkok Credio Foreman @hotmail.com ใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ก็แอดถึง MSN บ้างไหนส่งชื่อมา 28 พฤศจิกายน 2553 นะครับซึ่ง ตะไคร้น้ําเกาะหินนิดนึงอืมในวันอาทิตย์หน้าเกาะ 4 เออนะครับตอนนี้นะ Audition ซีซั่น<ส> 2 แปะขึ้นไปตอนนี้มีคนคลิกแค่ 186 วิวเองน้อย love ก็ love ความรัก space เว้น audition a u d i t i o n audition เหมือนคุณไป audition นู่น audition นี่นะ 2 นะ love audition 2 trailer นี่แหละพิมพ์เข้า ดังคุณเนี่ยนะฮะถ้า ก็ไม่ได้ครับบางคนนี่กูนยิ้มด้วยกูยังจําชื่อมันไม่ๆนะครับนี้เป็นคําที่ใช้อืมแทนคําว่าทํางานน่ะแทนคําว่า 10 วัน 10 เราก็จะมีมีตติ้ง ที่ก็จะเป็นดิสโก้แห่งหนึ่งกําลังคุยกับว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรกันในวันนั้นบ้างเพราะว่า กะ<น> 8 อื้อก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปิดไฟสว่างสว่างคราวนี้อาจจะเป็นปิดไฟมืดมึนสลัวๆๆๆๆๆๆๆ ดังนิดนึงเพราะฉะนั้นก่อนไปก็แนะนําแล้วทานน้ําค้างแทนน้ําน้ํา อืมพอทานน้ำค้างแทนน้ำข้าวตัวอะไรทานน้ำข้าวอ่ะคุณเค้าก็ข้าวก็ 10 วันวันหยุดแล้ววัน น่า 3 4 น. ยันเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วใคร SMS มาที่ที่ 422 1935 ต้องส่ง SMS เพราะว่าเราจะตกหล่นแล้วไม่ได้โทรกลับนะครับต้องส่ง ถ้า 1 ต่อ 1 เลยอืมติดมั้ยติดมือกับบ้านป่า 3 คนคุณก็ที่ MSN ก็จะมีน้องป้องนะ ที่หนองวัดหนองส่วน SMS เดี๋ยว SMS มาแล้วนะครับว่าจะไปงานกับเราวันที่ 10 นะวันๆแต่พี่หนกเอาข่าวแบบข่าวแบบชั้น คนสํารวจโดยคณะกรรมการธิการสตรีในฮ่องกงเค้าพบอย่างงี้คุณเค้าบอกว่าชาวฮ่องกง 72.4% ใน 3,000 คนที่สํารวจ 8.5% แล้ว 13.7% เท่านั้น 13 ถึงเอ้ย 18 ถึง 34 ปีนะ 11.8% เท่านั้นที่ยอมรับชาวเกย์ได้ขณะที่ประมาณ 65% บอกว่ายอมรับไม่ได้ผลการสํารวจนี้สุดชีวิตสุดชีวิตสุดฤทธิ์ ไม่ได้แอปเท่าไหร่หรอกนะต้องไปสมัครเท่านั้นเออๆอย่างเงี้ยแสดงตัวตนของคุณออกมาตอนนี้หลายหลายหมายเลขนะครับ 79220858 4284 8227 นะครับเอ๊ะเริ่มคุณแล้วนะเริ่มจําได้แล้วว่าอันนี้สําหรับผม อ่ะข่าวต่อไปนะครับก็ทําไมเหรอโกรธกระฟัดกระเฟียดหัวเหวี่ยงเวี่ยงคนนู้นคนนี้เพราะว่า gogger.com เนี่ย gogger เนี่ยนี่ฉันมีคน คนในเสาหน้ามาแล้วคนในเสาหน้านี่เค้าไม่ใช้คําว่าอาเมนเค้าเรียกว่าเมนนะเออทีนี้ทางทนายความของคุณจอนก็โกรธขึ้นบริโภคซีเมนต์แล้วร้อน สะดืออะไรร้อนสะดือขึ้นมาเนาะ 60 มม. นะคุณ 60 มม. อ่ะข่าวเป็นผู้ที่มีหัวใจแข็งแรงอ้าวจริงเหรอใช่เค้าบอกว่ามหาวิทยาลัย King's College เขาบอกว่าคนที่มีไฟฟรีคี้เมงวันเท่านั้นเป็น จะเป็นตั้งแต่ตอนยังเด็กจะจะ 17 79 ปี 1,200 คู่พบ 100 จุดอุ้ยจะ 25 จุด ตั้งครึ่งเลยคือแล้วเฉพาะหน้าหรือทั้งตัวเนี่ยน้องเฉพาะหน้า ที่มีเทโลเมียร์เนี่ยส่วนปลายของโครโมโซมจะมี 3-4 เมตรแต่หน้าเธอไม่ค่อยมี เยอะมั้ยอ่ะถึง 100 <c oughs>